นั่นะคืออยู่สองคนก็คุยใช้เวลาเท่าเดิมมากคนก็ใช้เวลาเท่าเดิมนั่นแหละนั่นถ้าไม่สนทนาธรรมะก็ส <c oughs> ังเกตักุศลไม่ค่อยเจริญอนั้นใชถ้าหากว่าเราปล่อยความคิดไปกับเรื่องอื่นๆสักหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะลืมนึกถึงคำสอนสักหลายๆชั่วโมงเนี่ยชักไม่สนุกละ ไข่ชักขึ้นอีกแล้วโรคเก่านีนกำเริบเขาบอกว่าโลกนี่ดูไม่มีอะไรโสภาสักอย่างเลยถ้าถ้าไม่ค่อยได้คิดธรรมะเนี่ยนะเรียกว่าดูอะไรก็ไม่โลกไม่น่าอยู่สักแห่งเลยนะะจะว่ากโกรธหรือเกลียดก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่สนุกอะ่ะมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีความสุขเลยนะเหมือนกับบัวที่มันไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงอะ่ะมันแห้งแล้งไปเรื่อย สภาพจิตใจถ้าหากว่าเราไม่ค่อยเป็นไปกับกุศลก็จะเป็นในลักษณะนั้นก็ต้องพยายามหากิจกรรมสักอย่างหนึ่งให้จิตเป็นไปกับกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่อ่านก็ตรึกถ้าไม่ตรึกก็เดินถ้าไม่เดินก็นั่งถ้าไม่นั่งก็สนทนาเอางี้เขาบอกว่าถ้ายังไม่ถึงฝั่งเลือกไ่วยไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าเรายังไม่ถึงฝั่งยังไงก็ต้องทุรนทุรายดิ้นรนอยู่นั่นแหละ เพราะถ้าเราอยู่นิ่งๆในห่วงน้ำบนน้ำก็ดูดจมอย่างเดียวกาโมคะมันก็ดูดเราลงไปอีก น, นะภาโคะทิดโคะแต่ว่าที่น่ากลัวมากก็คืออวิชโคะเนี่ยมันดูดลงโดยที่เราไม่มีโอกาสรู้ตัวด้วยนะภายในโลกนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือความไม่รู้ความไม่รู้นั้นเป็นภัยที่น่ากลัวน่ากลัวจริงๆเนี่ยนะ สำหรับคนหลงคนเคลาคนไม่รู้พระาสนาธรรมนั้นสิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดดูเหมือนว่าตัวจะได้ประโยชน์แต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแปลมาเป็นพิษให้แก่ตัวเขาหมดเลยอันเราไม่สามารถที่จะปล่อยปล่อยกายปล่อยใจให้ไหลไปกับเรื่องราวเหล่านั้นได้แพราถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยนสติเกิดขึ้นแล้วก็ชักเดือดร้อนละ กุศลที่เราพอกพูนเนี่ยนะผลของเขาก็คืออวิปปิสารกุศลจิตถ้าไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนใจแต่ถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นย่อมนํามาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจในภายหลังถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าของกุศลจิตอ่อนเราก็ไม่สามารถจะเจริญได้แต่คนที่เห็นคุณเห็นอ น, นิสงฆ์ของการเจริญกุศล อย่าง น, น้อยที่สุดเขาเหล่านั้นก็ต้องมีศรัทธานในพระรัตนตรนัยทนระงจำพระธรรมคำสอนเอาอุทาหรณ์ของพระผู้มีพระภาคเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาพระอรยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นทิฏฐานุคติเนี่ยนะที่เรียกว่าเอาท่านเป็นที่ไปของความคิดเหมือนกันพยายามคิดตามท่านวันนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชันชานอยู่นะ ไม่ทราบว่าใครไปแผ่พรมวิหารไปถึงไหนแล้วบ้างก็ไม่ทราบ <c oughs> การได้แผ่เมตตาหรือเปล่านะคำว่าแผ่เมตตานี้จะต้องอด้วยองคุณเท่าไหร่จึงจะแผ่เมตตาได้จึงจะเรียกว่าแผ่ได้นะคนที่แผ่เมตตาชั้นต้นก็ต้องฝึกเจริญเมตตาก่อนใช่ไหมฝึกเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อน นะเมื่อเจริญเมตตาให้กับตัวเองเสร็จแล้วก็เจริญไปหาคนที่เราเคารพเนี่ยนะถ้าเจริญให้ตัวเองเนี่ยนะสมมติถ้าเราเจริญเวทนากับไม่เจริญเนี่ยเวทนาก็แตกต่างกันแะสมมตินะถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะตารบตัดอารมอย่างอื่นเนี่ยนะที่เป็นไปกับอากุศลแล้วตั้งจิตเหมือนกับเราให้พรตัวเองเนี่ยนะตั้งใจดีๆให้มีความสุขความเจริญนะอย่างไงตั้งใจสักพักหนึ่ง แล้วก็น้อมไปหาคนที่เราเคารพเนี่ยนะเวทนาจะใกล้เคียงกันเพราะเป็นมหากุศลเหมือนกันเสร็จแล้วก็ค่อยเจริญไปหาเพื่อนที่เราคุ้นเคยกันเสร็จแล้วก็เจริญไปหาคนกลางๆถ้าใครมีศัตรูก็เจริญไปหาศัตรูถ้าเจริญไม่ได้ก็หาอุบายในการระงับความโกรธโดยประการต่างๆที่กล่าวไปแล้วเมื่อเจริญในบุคคลทั้งหมดเหล่านี้ได้เสมอกันแล้วไม่มีความแตกต่างกัน ตัวเองคนที่เคารพและก็คนที่รักยิ่งเนี่ยนะคนกลางๆและก็ศัตรูถ้าคนทั้งหลายเหล่านี้ทําจิตให้เสมอกันได้ก็อาศัยเมตตานั้นแหละแผ่ไปในทิศที่หนึ่งเนี่ยนะแผ่ในทิศที่หนึ่งก่อนทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกเสร็จแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องลากเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรู กลายเป็นจิต ท, ที่เป็นมหคตตสา ม, มารถที่จะเป็นฌานจิตได้แล้วก็ผู้ที่ทำจิตให้เป็นเมตตาอย่างนี้ได้ก็ในอิริยาบถ ท, ทั้งสีเลยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวน้นแต่ความหลับก็เพิงตั้งสติคือเมตตาจิตอันนั้นไว้เพียงนั้นแหละาการที่บุคคลสา ม, มารถตั้งเมตตาจิตอันนี้ไว้ได้เรียกว่าพรหมวิหารในอริยวินัยนี้นี่ เมื่อได้พรหมิหารแล้วก็จิตเป็นไปกับกุศลธรรมขนาดนี้แนละ้วทำยังไงต่อคุณลุงทำยังไงต่อยังไม่รู้ทางเลยนะเอาไปพรหมโลกสบายแล้วพอแล้วนะเบาใจแล้วถ้าคนที่สามารถทำจิตได้ชานก็อาา้าวฉาตนาพรหมโลกงีป่ะพอไหมไม่พอเนะี่ยทีนี้ถ้าไม่พอแล้วทำไงนะมาฟังดูในคาถาปฏิวัค อัฏฐกะนาคราสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันธาตข้อความในอัฏฐกะนาคราสูตรว่าด้วยทัศมะเครหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระอ น, นอ์นย่ณะเวลุวะคามเขตพระนครเวสาลีก็สมัยนั้นเครหบดีชื่อว่าทัศมะเป็นชาวเมืองอัฏฐกะ ยังเมืองตาตลีบุตรด้วยกรณียกยิจอย่างหนึ่งครั้งนั้นทัสมะครุหาบดีชาวเมืองอัทธกะเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งที่กุกกุตตารามไหวภิกษุนั้นแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ถามว่า <c oughs> ปิดพัดลงไม่นยท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้ท่านพระนน์อยู่ที่ไหนไปเทียก็ ถามหาท่านพระอ น, นุนเลยด้วยว่าข้าพเจ้านี้ใครจะพบท่านพระอ น, นุนมางั้นสังเกตจากข้อความนี้ว่าพระผู้มีพระภาคน่าจะดับขันปรินิพานและพระสูตรนี้จึงกล่าวขึ้นเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านพระอ น, นุนอยู่ที่ไหนมางั้นประสงค์จับพบท่านพระอ น, นุภิกษุนั้นก็ตอบว่าดูก่อนครหะบาดีท่านพระอ น, นุนั้นอยู่ณบ้านเวลวะคามเขตพระนครสาวลิ เวสาลีครั้งนั้นแลทัศมะเครือหาบดีชาวเมืองอัฐกะทํากรณียกิจนั้นให้สําเร็จที่เมืองปาตลีบุตรแล้วไปยังธน akan เวสาลีถึงบ้านเวลุวะคําเข้าไปหาท่านพระอ น, นุนถึงที่อยู่ไหว้ท่านพระอ น, นุแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งทัศมะเครืหาบดีชาวเมืองอัฐกะนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้แต่ถามท่านท่านอนุนว่า ข้าแต่ท่านท้านอนนุผู้เจริญธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสไว้แล้วมีอยู่หรือมาไปถามหาวิธีรัดขอมีวิธีเดียวไหมสั้นๆว่างั้ น, นเถอะง่ายๆที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะบรรลุพระนิพพานเลยมีสักทางไหมว่างั้นเถอะเอาแบบธรรมะอันหนึ่งนะว่างั้น ท่านพระนรุนก็ตอบว่ามีอยู่ครหอข่ายบดีนะธรรมะที่ท่านว่าเมื่อกี้ว่าธรรมะอันหนึ่งที่ภิกษุเมื่อไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทนี้หมายความว่าไงไม่ประมาทคําว่าประมาทก็คือปล่อยใจไปในกรมคุณทั้งห้าด้วยความเพลิดเพลินนะเมื่อเราปล่อยใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัพด้วยความเพลิดเพลินขณะนั้นชื่อว่าประมาทนะหรือการเจริญกุศลก็ขยักขย้อนเนี่ยนะ เคเห็นเหมือนกับก๊อกน้ำเปิดใช่ไหมเปิดแล้วมันไหลๆหลไห ล, ล, ลบ้างไม่ไหลบ้างอย่างเงี้ยกุศล จ, จิตที่ไม่ต่อเนื่องก็ลักษณะนั้นคนที่ไม่เจริญกุศล จ, จิตให้ต่อเนื่องเรียกว่าคนประมาทเนี่ยนะถ้าหากว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่พิสุไม่ประมาทคือเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องมีความเพียรและก็มีตนส่งไปอยู่คาว่ามีตนส่งไปก็คือไม่อะไรในร่างกายและชีวิต่างนั้นเถ อ, อะ เอาจิงเอาจังกับการเจริญกุศลอันนั้นนะนะไม่คำนึงถึงว่าร่างกายจะเป็นเช่นใดก็คือมุ่งอย่างเดียวหัวนั้นมุ่งเพื่อความหลุดพ้นนะจากอาสะวะนะต้องการหลุดพ้นจากกามาสะวะคำว่าอาสะวะหมายถึงเครื่องหมักดองอ่ะนะน่าจะหมักหมมมากกว่านะเครื่องหมักหมมอยู่ในจิตในใจอ่ะนะอะไรที่มันหมัก น, น, นานๆหมม ก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่ได้ซักอย่างนั้นถูกไจิตใจที่หมักหมมไปด้วยโลภะก็ลักษณะนั้นแหละถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้เหมือนกับเป็นธรรมะที่ฟอกจิตเป็นอย่างดีเลยนะให้สะอาดอย่างนั้นธรรมะจิตเดิมของราจิตจิตเดิมเนี่ยนะเป็นจิตอย่างไรพื้นฐานของความคิดแต่ละท่านเป็นจิตชนิดไหนก่อนที่จะคิดเนี่ยนะทุกๆความคิดก่อนที่จะคิดนี่เป็นผวังคจิตเนาะ เรีกว่าจิตเดิมเนี่ยนะหรือจิตพื้นฐานตั้งแต่นปฏิสนธิมาแล้วเนี่ยจิตของท่านทั้งหลายหรือว่าของใครก็ตามเป็นมหาวิบากจิตเมื่อจิตเหล่านั้นเป็นมหาวิบากจิตจิตนั้นเศร้ามองไหมไม่เศร้าหมองนะประพัสระมีดังที่คเววังั้นจิตนั้นประพัสรหรือว่าจิตนั้นเป็นบรรระก็คือผ่องใสว่างั้นเนี่ยเพราะว่าจิตเป็นมหาวิบากเป็นผลของมหากุศล จิตนั้นจะไม่เศร้าหมองแต่ที่เศร้ามองเพราะอุปกิเลสจรมาเนี่ยคือชาวนาเนี่ยเป็นอกุศลว่างั้นก่อนที่จะเป็นชาวนาก่อนที่จะขึ้นวิถีไม่เป็นอกุศลและไ ม, ไม่ไม่เศร้าหมองด้วยนะจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นมหาวิบากแต่ที่มาเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมานะพะอุปกิเลสจรมาเศร้ามองจิต ก่อนหนะ้านั้นก็ชื่อว่าเศร้ามองเลยเหนไหมถ้าหากว่าผู้ที่สามารถอบรมบ่มไม่ให้ความเศร้ามองเกิดขึ้นในจิตได้ด้วยมีความเพียรเนี่ยนะสัมาปทานเนี่ยนะเป็นไปกับคำสอนอย่างต่อเนื่องชวนะเหล่านั้นแทนที่จะเป็นอาสวะก็เป็นมหากุศลไหมมหากุลนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วจะให้ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกนี้คืออะไรประโยชน์ในโลกนี้ก็คือกุศลธรรมหรือปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นแหละปัญญาหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนะพอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนจากครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่สองใช่ไหมจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งั้นถ้าใครสา ม, มารถที่จะทําให้กุศลจิตเกิดได้สืบเนื่องไปเรื่อยๆแสดงว่าได้อุปนิสัยได้ใช่ไหมนะจากเห็นก็ ชวนะเป็นกุศลก็ได้อุปนิสัยและไปได้ยินอีกก็คิดให้เป็นกุศลอีกใช่จากเห็นไปได้ยินก็ได้อุปนิสยัยก็ให้อุปนิสัยอย่างนี้แหละเป็นไปในทวารทั้ง6เมื่อเกี่ยวข้องกับทุกอารมณ์ชาวนะจิตก็เป็นมหากุศลเมื่อเป็นมหากุศลมหากุศลที่เพิ่มพูนพอกพูน พ, พัฒนาขึ้นเนี่ยนะที่เป็นไปกับสมถะหรือวิปัสนาเนี่ยนะซึ่งพื้นฐานเป็นคนที่มีสุจริตสามอย่างบริบูรณ์ดีแล้ว กุศลเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อฌานจิตหรือเป็นไปเพื่อมัคจิตเกิดซึมได้เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าหากว่ามัคจิตที่เกิดขึ้นแล้วอาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นไปเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าโลภะหรืออากุศลเนี่ยเป็นเหมือนกับยางเหนียวเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกับไฟใช่ไหมไปคั่วยางเหนียวอันนี้ที่เกิดขึ้นในในสภาพจิตอันนั้นได้กุศ ล, ลจิตนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเพียรอยู่ด้วย ความเพียรอันนั้นเรียกว่าอาตาปีหรืออาตาปะหรือเรียกว่าตะบะเนี่ยนตะตบะเหล่านั้นก็เป็นความร้อนชนิดหนึ่งที่คั่วว่างั้นน่คั่วหรืออบจิตที่เป็นอคุศลเหล่านั้นได้แต่อย่าลืมว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องแทงตลอดในลักษณะของอารมณ์อารมณ์นี้มีกี่ลักษณะอารมณ์นี้มีกี่ลักษณะ สองลักษณะนะหนึ่ง น, นะลักษณะของอารมณ์หนึ่งสภาวะลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของเขาหรือเรียกว่าปัจจัาลักษณะเนี่ยนะก็จะไปแทงตลอดปัจจัาลักษณะหรือสภาวะลักษณะของเขาพร้อมทั้งปัจจัยเมื่อแทงตลอดสภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยของอารมณ์นั้นๆได้ก็สามารถที่จะแทงตลอดสามัญลักษณะของอารมณ์นั้นอีกเนี่ยนะ สามัญยลักษณะนั้นก็คือความไม่เที่ยงของเขาคือไม่มีแล้วก็มีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาคือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปนะเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยนะเข้าไปเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นก็เข้าไปเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็สามารถที่จะ คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเนี่ยนะเมื่อไหรนะ่น่าจะไม่ถือมั่นในอารมณ์ปัญหาไม่เห็นอารมณ์แล้วก็เศร้าแล้วนาะไม่เห็นอารมณ์บางอย่าง้เศร้าและนะคือตรงกันข้ามเลยปฏิบัติเพื่อคล้องในอารมณ์นะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งในอารมณ์ว่าความจริงของอารมณ์นั้นนะ่ะเขาคืออะไรใช่ไหมความจริงของรูปอารมณ์เป็นอย่างไร การไม่ได้มานะะความจริงของหูเสียงดีป่ะเป็นยังไงเสียงวันเสาร์นี่จะได้หรือเปล่านะะยังนึกทำงงๆเลยบอกความจริงของเสียงเป็นยังไงนี่แสดงว่ายัางงงอยู่เลยไปวิจัยบ้างหรือยังน ะ, <c oughs> ะนะใสรจแล้วธรรมะเ่าเนี่ยเนี่ยนะอ่าสมัยนั้นอุบาสกจะอ้างอ้างว่าไง อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นเนี่ยตรัสไว้มีอยู่หรื อ, <c oughs> อที่เขาอ้างว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่า เตนะพระควตาเป็นต้นเนี่ยนะที่ว่ามีความย่อดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นใดทรงบําเพ็ญบารมีสามสิบท้วนทรงหักกิเลสทั้งปวงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้อัธยาศัยและอนุสัยของเหล่าสัตว์นั้นทรงเห็นยะยธรรมทั้งปวงนั้นดุดผลมาขามป้อม อันวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยนะเพราะความที่พระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แล้วก็บาเพ็ญบารมีตลอดเสียสงไขยแสนกับตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วก็มองเห็นทุกอย่างในทั้งหมดเลยเนี่ยนะอะไรที่พระองค์ไม่เห็นไม่มีแล้วพระองค์เนี่ยเห็นแทงตลอดเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น น, นะ อีกในหนึ่งเนี่ยพระองค์นี้ทรงรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นรู้หมดแหละด้วยอภิญญา น, นั้นเอทรงเห็นด้วยทิพจักสุญาณ น, นะรู้ด้วยอภิญญาเห็นด้วยทิพจักสุว่างั้นหรือว่าพระองค์นี้รู้ด้วยวิชาสามหรืออภิญญาหกเห็นด้วยสมันตะจักสุอันอะไรอะไรขัดขวางในธรรมะทั้งปวงไม่ได้นะเห็นด้วยสมันตะจักสุเห็นด้วย สมัญต์เนี่ยโดยรอบว่า ง, งั้นแต่จักสูุที่เห็นได้โดยรอบก็หมายถึงพระสัพพัญญุตยานหรืออนาวารณญยานทรงรู้ด้วยพระปัญญาอันสา ม, มารู้ธรรมะทั้งปวงทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงจักสุวิสัยของสัตว์ทั้งปวงหรือที่อยู่นอกฝาเรือนเป็นต้นด้วยมังสะจักสุอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งทรงรู้ด้วยปัญญาอันให้สําเร็จประโยชน์ส่วนพระองค์ทรงเห็นด้วยเทศนาปัญญา อันมีพระมหากรุณาเป็นประทัฐานเห็นไหมพระองค์นี้เห็นด้วยเทศนาปัญญานะเทศนาก็คือการแสดงปัญญาที่ทำให้เกิดการแสดงพระธรรมต่างๆการแสดงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นมีกรุณาเป็นเหตุใกล้อันกรุณานี้กระตุ้นเตือนตักเตือนว่าพระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วแต่สัตว์โลกนี่ยังยังข้ามไม่พน้นใช่ไหม องคนี้ตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์นี้ข้ามพ้นแล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่พ้นพระองค์นี้ฝึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสัตว์โลกยังไม่ฝึกพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้พระองค์นิพผ่านแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่นิพานเพราะนั้นพระองค์ก็ตั้งว่าพระองค์บรรลุแล้วจักฝึกสัตว์อื่นให้บรรลุด้วยเป็นต้นเนี่ยผมก็ตั้งประนิทานอันนั้นแหละ พื้นฐานอุปนิสัยที่สะสมมาตลอดสี่อสงไขยเป็นต้นเนี่ยทำให้พระองค์นั้นสละความสุขของพระองค์นะแทนที่จะไปเข้าพระสมาบัติอยู่ในที่ลีเร้นสงบเงียบเนี่ยนะนะเรียกว่านั่งสวยความสุขอย่างเดียว7วัน7คืนไม่กระดิกก็ได้แต่ก็สละความสุขอั น, นั้นเพราะพระองค์ไม่ได้ยึดติดในความสุขเหล่านั้นแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายยินดีในธรรมะอันเป็นที่สงบระงับ แต่อาศัยภาพมหากรุณาธิคุณทำให้พระ อ, องค์นี้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลสแสดงธรรมะให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังว่างั้นเพราะว่าคนที่มีจักสุ น, นะมีทุลีในกิเลสน้อยเนี่ยนะในจักสุน้อยก็เขาเหล่านั้นฟังธรรมแล้วก็สา ม, มารถที่จะตรัสรู้ได้เพรา ะ, ะนั้นพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าดารงอยู่ในโลก ยาวนานเท่าไรก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบเพียงนั้นเหมือนั้นเถิดอย่างของเราก็ได้มีโอกาสศึกษาของท่านนะนะก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นขณะที่ฟังนี้เป็นมหากุศุก็สุขใจขณะนั้นขณะที่ฟังพระธรรมคำสอนศึกษาพระธรรมคำสอนอ่านพระธรรมคาสอนเป็นต้นขณะนั้นจิตเศร้าหมองไหม ก็บว่าโอ้โหถ้าอ่านพระธรรมคําสอนศึกษาคําสอนนะจิตอย่างเศร้าหมองเวลาไหนบ้างเนะาะจะผ่องใสเนาะก็ควรที่จะสังเวชสลดใจได้แล้วนะขนาดฟังธรรมจิตยังเศร้าหมองแล้วขนาดอื่นๆจะขนาดไหนเนาะนะถ้าเศร้าหมองและถ้าจุติขนาดนั้นหวังได้ที่ไหนจิตเตสังคีริเตทุทขติปาติกังขาถ้าจิตเศร้าหมองทุคติหวังได้และใครเป็นศัตรูใครใครแช่งใครไปอบายคนนี้ นะดูแล้วในโลกนี้ใครเป็นศัตรูใครที่สุดใครปองร้ายต่อต่อเรามากที่สุดเลยนะจิตเอ้ยแบนั้นบางครั้งก็บอกฟังทำนะบางครั้งก็บอกว่ า, ท า, นะ า, วาโทสะนะอย่างเงี้ยโอมันหลอกให้เป็นไปต่างๆนานานะอย่าไปเชื่อนักนะความคิดเนี่ยในตาลาบุตรเทรคถ า, านเนี่ยท่านฉลาดสอนจิตของท่านนะเทรคถาคุณหมออ่านเจอหรือยังตาละบุตรเทระนะ อดีตพานักร้องอ่ะออท่านเป็นนักร้องชื่อดังสมัยพุทธ ก, กาลเนะ่ยเสร็จแล้วท่านบวชเข้ามาแล้วเนี่ยท่านมีอุบายในการสอนจิตของท่านนะนะจิตเอ้ยบางครั้งก็จะทำให้ไปตกนรกเหมือนนบางครั้งก็จะเป็นพรหมบางครั้งก็บวชแล้วจะไปอยู่ป่านะจะไปวิเวกสันโดษบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหมืนนบางครั้งก็เลยมีอุบายในการฝึกจิตสอนจิตนะนะั่นแหะ นั้นพระองค์นี้ก็อาศัยพระมาหากรุณาที่คุณเนี่ยนะแสดงพระธรรมคำําสอนให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นผ้าอรหันพ้าอรหรัน ห, หมายคำว่าไงนีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นผ้าอรหรันอรหันหมายคำว่าไกลาจากกิเลสกําจัดฆ่าศึกคือกิเลสนะฆ่าศึกภายในศัตรูภายในคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละ เป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตผู้ทําลายหวัวเั้นในภายในร้ายกาจที่สุดเลยแหละแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจจัยสี่เป็นผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการทําบาปไม่มีแอบชั่วในที่ทำชั่วในที่ลับสักหนสักแห่งไม่มีสําหรับพระองค์และพระองค์นี้ไกลาจากคน ใครที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาไม่ได้ฝึกไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาปฏิบัติเป็นต้นพระองค์ก็ไกลาจากบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะพงก็ใกล้ต่อสัตว์บุรุษทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะไม่มีกุศลธรรมเกิดขึ้นถึงจะนั่งอยู่ข้างขวาเรียกว่าติดหัวเขาพระองค์เลยมันกัน ข้างขวาพ่ะองค์ก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่ซัดไปในยามค่ําคืนเหมอนกันยิงยิงลูกศรกลางคืนนะยิงแล้วมองไม่เห็นเลยมันหายไปไหนแล้วไม่รู้เขาบอกว่าคนที่ไม่มีบุญหรือว่ากุศ ล, ลจิตไม่เกิดเป็นคนที่สามปัญญาจิตใจชุ่มไปด้วยบาปอากุศลถึงจะนั่งอยู่ข้างๆก็พระองค์ก็มองมองไม่เห็นเหมือนกันแต่แต่คนที่ดีมีบุญมีปัญญาถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็เหมือนเขาหิมมวันเหมือนกัน ก็เหมือนก็นอยู่ในเชียงใหม่ยังไงก็มองเห็นดอยสุเทพเนี่ยนะว่าดอยสุเทพถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งพระองค์นี้ทรงรู้อันตรา ย, ยกรรมอันตรา ย, ยกรรมก็คือทำที่ทำอันตรายต่อสวรรค์มรรคผลและนิพพานทำที่ทำอันตรายต่อมรรคผลนิพพานมีอะไรบ้างนะหนึ่งนะกรรม กรรมก็ทําอันตรายนะใครที่ทําอนันตริยกรรมก็อันตรายต่อมรรคผลนิพพานต่อสวรรค์ด้วยสองกิเลสนิยตมิจฉาทิถิก็เป็นทำทำอันตรายแล้วก็อนาวีติกมะถ้าเป็นพระภิกษุก็ล่วงละเมิดพระมีนัยบัญญัติอริยประวาทิการว่าร้ายพระเริยเจ้าส่วนข้อสุดท้ายนี้ไม่มีของเรารู้ได้ไหมคือกับวิปากาวนเนี่ยเครื่องกั้นคือวิบาก นะคือถ้าปฏิสนธิด้วยอเหตุุกะก็ไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้หรือปฏิสนธิด้วยทวิเหตุ ก, ก็ไม่สามารถตรัสรู้ธรรมได้ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมะได้นั้นจะต้องเป็นติเหตุกะแต่ไม่น่าเสียใจนะเกิดเป็นอเหตุุกะถ้าได้ฟังธรรมก็ได้อุปนิสัยเลยนะนะตอนที่ปฏิสนธิเป็นอเหตุกกะหรือทวิเหตุกะก็ทาจิตให้เป็นมหากุศลประเภทติเหตุให้ได้ ทำกุศลประเภทติเหตุให้ได้ตีเหตุนั้นก็นำปฏิสนธิใช่ไหมถ้าติเหตุนำปฏิสนธิวัชชาต์หน้าเราฉลาดที่สุดเลยนะในหมู่นั้น น, นะนะแต่ถ้ามานั่งตีโพยตีพายเสียใจยอีกดีหรือไม่อ่าเสียใจยก็เป็นโทสะมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะถ้าเสียใจยแล้วผลของความเสียใจยให้ผลปฏิสนธิเป็นอหิยตุกะหนักกว่าเดิมอีกคันี้ พระองค์นี้ทรงเห็นอันตรายิกธรรมและพระองค์เห็นนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์ธรรมะที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์คืออะไรนะสติปทานสีก็เป็นนิยานิกธรรมสัมมาปทานสี่ก็เป็นนิยานิกธรรมนะสัมมาปทานสี่อิทธิบาทสอินทรียห้าพระละห้าโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้เป็นนิยานิกธรรม เป็นธรรมที่ช่วยรื้อสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์นะถ้าหากว่าใครที่มีธรรมะเหล่านี้ก็สามารถจะพ้นจากวัตทุกข์ได้เพราะมีนิยานิกธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากวัตทุกข์ได้และพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์พ่อกําจัดข่าศึกคือกิเลสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงด้วยพระองค์เอง ก็บอกว่ารวมความว่าพราะองค์นี้ถูกสะดุดีด้วยเหตุสี่อย่างคือด้วยเวสารัชธรรมสี่อย่างเพราะฉะนั้นทัสมะเครหบดีเนี่ยนะคนนี้ก็มีศรัทธาว่าไงเนี่ยนะมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะโปร่งมีไหมโปรองตรัสธรรมะอย่างหนึ่ง ที่หากว่าไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นก็ถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุธรรมะที่ปลอดโปรง่งอันเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าว่า้นที่ควรบรรลุได้เนี่ยนะมีไหมธรรมะที่ว่านี่แล้วท่านพระนนก็กล่าวว่าดูก่อนเครือหาบาดีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่าเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ปฐมฌานนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมะคื อ, อยังติดใจในสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภากยะสังโยตหเธอย่อมเป็นโอปปาติกะ จะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือกล่าวว่าภิกษุที่สามารถเจริญปฐมฌานเนี่ยนะทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นปฐมฌานที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องสงัดจากกามคำว่าสงัดจากกามนี้กามมีกี่อย่างนะกามมีเท่าไหร่กามมี2ออย่างนะหนึ่ง วัตถุกามกับกิเลสกามถ้ากล่าวถึงวัตถุกามแสดงว่าจิตต้องเป็นกิเลสเนี่ยนะถ้ากล่าวว่ากิเลสแสดงว่าจิตยินดีในวัตถุว่างั้นคําว่าวัตถุ ก, ก็คือในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโพธิภาพเหล่านี้แหละจิตที่ไปยินดีในรูปเสียงกลิน่นรสและโพธิภาพเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามโดยที่มีวัตถุกามเป็นอารมณ์แต่คําว่าวัตถุกามนี่กว้างกว่าอารมณ์ให้อีกนะแม้กระทั่ง ธรรมะเป็นไปในภูมิสามเรียกว่าวัตถุกรรมทั้งหมดโลภะที่ยินดีในธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามเรียกว่ากิเลสกรรมแต่ว่าคนที่จะได้ปฐมฌานนั้นจะต้องละวัตถุกรรมวัตถุกรรมที่เป็นกามอวจรเนี่ยนะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธาพะและเป็นธรรมารม์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปปฐมฌานนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีบัญญัติเป็นอารมณ์นะ เมื่อมีบัญญัติเป็นอารมณ์นั้นจิตจะต้องไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภตภาภะและธรรมอารมณ์ที่เป็นจิตและเจตสิกจึงจะได้ปถมาชานได้เพราะปะถมาชานมีนวัตตพารม์นะมีบัญญัติเป็นอารมณนะ์เมตตาเป็นปิยมนาปะเนี่ยนะสัตว์เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจก็เป็นอารมณ์ของเมตตาได้เนี่ยนะ หรือว่าทุกขิตสัตว์สัตว์ที่น่าสงสารก็เป็นอารมณ์ของกรุณาเป็นอารมณ์ของปถมชานได้หรือสุขิตสัตว์สุขิตสัตว์ก็เป็นอารมณ์ของปถมชานที่เกิดจากมุทิตาก็ได้นะนะหรือมั ช, มชตาสัตว์นี่เป็นอารมณ์ของจตุตฉ า, านอย่างเดียวถ้าอนาปานสติก็เป็นอารมณ์ของปถมฉานได้นะอนาปานบัญญัต หรืออสุภะอสุภะก็เป็นอารมณ์ของปฐมฌานได้กสินสิบก็เป็นอารมณ์ของปฐมฌานได้เพราะฉะผู้ที่จะได้ปฐมฌานต้องสังกัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เนี่ยนะอย่างน้อยคนที่จะเข้าฌานได้จะต้องกายวิเวกพอสมควรเพราะเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อต่อฌานเนี่ยนะ ทั้งลักคณูปณิสชานและอารัมมณูปณิสชาญด้วยที่จริงอารัมมณูปณิสชาญคนจะเข้าฌานได้เนี่ยถ้าเสียงอึอกระทึกเครือโครมเนี่ยเข้าไม่ได้การพิจารณาพระธรรมก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเสียงอึอกระทึกเครือโครมเลยนะพิจารณาได้ไหม ย, ยากเงี้นนะอ่าวันก่อนโยมเขาทํางานข้างๆกุฏิโอเปิดเพลงใหญ่เลยเห็นไหมเปิดเพลงพุ่มพวงเ อ, อ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะ เออเราก็อ่านพระไตรปิฎกไปก็ฟังเพลงไปเออคิดพระไตรปิฎกมัางคิดเสียงเพลงบัางเออสลับคระเข้ากันไปสรุปแล้วไม่ได้งานสักอย่างเลยธรรมะก็เข้าใจขึขข้นขึ้นกลงๆนะฟังคําเพลงหนึ่งคำเราก็คิดคําเพลงแล้วมันดูพระไตรปิฎ ก, กสลับกันไตสลับกันมาแค่นั้นะก็นับว่าเออถ้าหากว่ามีเสียงเป็นปฏิปักษ์ลักษณะนั้นเนี่ยที่เราจะประมวลธร ร, รมะทั้งเรื่องมาตรึกนี่ยากนะนะ เพราะว่าบางครั้งนี่เราสามารถอ่านและสรุปได้ทั้งทั้งสูตรเลยใช่ไหมสรุปได้ทั้งสูตรแล้วเอาไปตรึกต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเดี๋ยนะรู้แล้วรู้แล้วมาข้างๆหูนี่ก็หยั่งกันนะเรามีเพลงอะไรรู้แล้วรู้แล้ววันนั้นอ่ะมาฟังว่าไปเสียงเป็นปฏิบัติต่อการเจริญกุศลค่อนข้างมากทีนี้ถ้าหากว่ากุศลธรรมที่เป็นฌานกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะ ถ้าเราเนี่ยดีใจเลยนะยิ้มแป้เลยนะถ้าได้ปฐมมชานเนี่ยโอ้ยถ้าตายตอนนี้พรหมโลกเป็นที่หวังน่ยท่านไม่ได้ยินดีอย่างนั้นหรอกก็พิจารณาว่าปฐมมชานเนี่ยอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นปฐมมชานนี้เป็นกุศลที่เป็นมหคัตธรรมเนยนะไม่ต้องกล่าวถึงกามาวจรแบบเราเลยนะแม้แต่ฌานาจิตก็พิจารณาฌานาจิตเนี่ยถูกเหตุถูกปัจจัยนี้ปรุงแต่งขึ้น ปัจจัยของฌานาจิตก่อนโดยอุปนิสัยปัจจัยอะอะไรก่อนใช่ไหมมหากุศลนั้นจะต้องมีกําลังอย่างแรงกล้ามหากุศลที่เกิดก่อนก่อนที่จะได้ฌานนั้นจะต้องมีกําลังอย่างมากจึงจะเข้าปฐมฌานได้ดังนั้นมหากุศลต้องเป็นศีลกุศนค่อนข้างสูงมากเพราะงั้นแต่ศีลกุศนที่เป็นคือเรียกว่าเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกมีอาจาระมีโคจร เห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมรทานศึกษาในศิกคาบททั้งหลายนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอินทะรีย์สังวรตาตามองเห็นใจไม่เป็นบาปหูได้ยินใจไม่เป็นบาปนะในทวารทั้งหกใจไม่เป็นบาปแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะเห็นโทษของกรมฉันทะเหมือนกับแม่เลยมันเป็นนี่นะเออกรมฉันทะเนี่ยมันเป็นนี่จริงจะว่าไง เขบอกว่าคนเป็นนี้เนี่ยคิดอะไรก็วนๆอยู่แถวนั่นแหลคิดอะไรก็คิดไม่ตกนะนะคนที่มีการมาฉาันทะคิดก็วนๆอยู่นั่นแหละที่ในอารมณ์ที่ตัวเองยินดีติดใจนั่นแหละเพราะฉะนั้น อ, อุปนิสัยของฌานจิตเนี่ยนะต้องเป็นมหากุศลที่มีกําลังมากนะนะั่นแะทั้งศีลกุศลด้วยแล้วก็เป็นมหากุศลที่ศึกษาวิธีการเจริญฌานจิตมาเป็นอย่างดี นะเห็นโทษของกามด้วยเห็นโทษของวัตถุกามและกิเลสกามราะฉะนั้นมหากุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยของฌานจิตก็สูงแล้วฌานจิตเนี่ยเขาจะดำรงอยู่ได้นานหรือไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ความชํานาญเป็นต้นมหากุศลที่เกิดขึ้นก่อนอธิษฐานว่าจะเข้าฌานจิตกี่นาทีเป็นต้นเนี่ยนะก็จะตั้งไว้เพราะฉะนั้นฌานจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นมีมหากุศลนั่นแหละนําหน้า เป็นเป็นเบื้องต้นถ้ามหาคุโศนบอกว่าจะเข้าแค่1ิบนาทีเนี่ยนะฌานก็จะอยู่แค่สิบนาทีเป็นต้นเนี่ยนะั้นฌานในจิตเองเนี่ยจะว่าใหญ่ก็ใหญ่จริงๆจะว่าบอบางก็บอบางจริงๆเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าอารมณ์บางอย่างเข้ามาเจือปนเนี่ยนะเสื่อมก็ง่ายนะเหมือนสมณีรูปหนึ่งนะท่านไดฌานท่านไดฌานแล้วก็ท่านเหาะท่านชอบเหาะมากนะอได้ฌานและไดพิญญาห้าด้วยนะ อุปชาเนี่เห็นแล้วว่าเนเนี่ยเสื่อมแน่นอนอก็เตือนส ม, มาเนนอย่ายินดีในคุณเพียงเท่านี้เลยอย่างนั้นเถอะเจริญวิปัสนาเถอะอะไรเนี่ยให้บรรลุมรรคผลเน่ยนะส ม, มาเนนก็ทําเป็นไม่ได้ยินอ่างั้นเถอะได้ยินแต่ไม่สนใจก็เลยแค่เอาหูทวนลมซะนะเพราะฉะนั้นเวลาไปบินทบาทเนี่ยนะให้อาจารย์เนี่ยไปก่อนเลยเแล้วเหาะตามไปที่หลังอย่างนั้น<ม>ไปที่หลังไปทันพร้อมดีกับพ่ออาจารย์นั่นแหละทีนี้อาจารย์ก็เตือนหลายครั้งก็ไม่ฟังะ ทีนี้วันหนึ่งเหาไปผ่านสาบัวเข้าสาบัวนี่ก็มีลูกของช่างหูกเนี่ยนะไปเก็บไปเก็บดอกบัวข้างๆแล้วเก็บไปก็ร้องเพลงไปเนี่ยนะขณะที่ร้องเพลงเนี่ยฟังยังไงไม่รู้ชานเนี่ยเสื่อมทันทีเลยเสื่อมแล้วก็บอกว่ามันค่อยๆตกลงมาเหมือนกับปุยนุ่นค่อยๆตกลงมาเทอานะทีแรกเขามามก็เดินโอ้ย ใจมันผูกพันตรงนั้นมากนะนะรีบเดินเอาบาดไปส่งอาจารย์ก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ก็ไปยืนดูเขาอยู่นั่นแหละก็บอกสามเณรนลีกไปเขาบอกว่าไม่ไปฮะอยู่อย่างงี้แล้วก็ผู้หญิงนี้ก็ฉลาดนะก็ก็เล่าโทษของกลามให้ฟังอันนะโทษของการอยู่ครองเรือนเป็นต้นก็ไม่ฟังอะนะทีนี้ก็ก็พาไปที่บ้านพาไปที่บ้านก็นะพ่อของหญิงสาวก็เล่าโทษของการครองเรือนให้ฟังอีก ก็ไม่ฟังเอกบอกกับท่านจะยินดีไปทําไมภาคขาวอะ่ะว่า ง, งั้นก็เลยศึกศึ ก, กแล้วก็ไปทํางานช่างหูกนี็พอทําทําไปเนี่ยวันหลังเขาก็กาลังชัดทอหูกอยู่ภรรยาเขาเอาอาหารมาส่งสายทีนี้เขาก็โกรธภรรยาเอาทําไมเธอมาสายนักอ่ะเขาบอกว่าเอ้าวบ้านอื่นๆนี่เขามีน้ํามีฟืนพร้อมเนี่ยบ้านเราไม่มีเนี่ยสามีเลยโกรธแล้วก็คว้าหนึ่ง ทิมตรงตาเนี่ยตาบอดเห็นภรรยาตาบอดเนี่ยร้องไห้ใหญ่เลยที่ร้องไห้เนี่ยก็บอกคนข้างๆก็บอกว่าร้องไห้อ้าวร้องไห้ไปทําไมว่า ง, งั้นธรรมดาตามันแตกไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้รอกก็บอกที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะเหตุ น, นี้ร้องไห้ว่าอาจารย์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยจะได้อ่านะภรรยาเป็นช่างหูกตาบอดเนี่่ว่า ง, งั้นหุงข้าวให้กินอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็นึกถึงคําของอุปชาที่บอกไว้สมัยที่ยังบวชอยู่นะ เพรเสียงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อฌานวะงั้นเหาะได้ก็ยังเสื่อบก็อีกอีกคนหนึ่งก็ที่ทเสื่อมลักษณะนี้ก็ก็มีมากเพราะฉะนถ้าหากว่าฌานจิตคนรักษาไม่ดีก็กเสือ่อมเสื่อมก็กเสื่อมง่ายแต่ว่าเสื่อมและเจริญยากนะเพราะฌานจิตเองนั้นก็เกิดเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยนะเป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่อาศัยปัจจัยมากๆมาประกอบปรุงแต่งกันขึ้นถ้าหมดปัดจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งชานจิตเหล่านั้นก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เ่นะแล้วก็เพราะฉะนั้นธรรมะที่ตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าสิ้นไปเ่นะมีวิธีการเจริญที่เป็นสมถยานิกเนี่ยนะสมถยานิกก็คือพิจารณาชานจิตก่อนเมื่อพิจารณาชาญาจิตแล้วก็พิจารณาว่าจิตนี้อาศัยอะไร อาศัยหัยวัตถุหัตยวัตถุนั้นเป็นอุปาทายรูปเพราะหัตยวัตถุนี่อาศัยอะไรเกิดอาศัยมหาภูตรูปเกิดเนี่ยนะพิจารณาประมวลธรรมะเหล่านี้ลงเป็นขันธ์ห้าแล้วก็พิจารณาถึงเหตุถึงปัจจัยถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นก็สามารถที่จะถึงความสิ้นอาสะวะไดนะ้ถ้าสิ้นอาสะวะก็เป็นาา้าหัน แต่ถ้าหากว่าอาสวะยังไม่สินน้นนะนะกามาสวะกับภวาสวะยังไม่สิ้นไปเพราะยังเพลิดเพลินในธรรมะคือยังติดใจในสมถะและวิปัสสนาคือพระผ่านนาคามีเนี่ยนะท่านยังติดใจในวิปัสสนายังติดใจในสมถะอยู่วางง่าไงแต่ยังละความยินดีติดใจในสมถะและวิปัสสนาไม่ได้ก็คือยังยินดีในชานจิตอยู่ เพราะฉะนันเมื่อท่านยังยินดีในฌานจิตยอยู่ท่านก็ได้เป็นแค่พระอนาคามีว่า ง, งั้นเถอะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพรา ะ, ะถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะจุติแล้วก็ปฏิสนธิในสุทาวาสนะปฏิสนธิในสุทาวาสบางท่านก็ปฏิสนธิในสุทาวาสไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบางคนนี่ใช้ชีวิตจนถึงกก่งกลางในในสุทาวาสจึงบรรลุเป็นพระอรหรันต์ บางคนเนี่ยเรียกว่าเกือบสิ้นชีวิตในชั้นนั้นจึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์บางคนเนี่ยนะเลื่อนค่อยๆเลื่อนไปจากอวิหาไปเกิดในชั้นอตัตตาปาก็ในในอตัตตาปาก็ไม่ได้บรรลุอกีกจากอตัตตาปาไปชั้นสุทสาก็ไม่ได้บรรลุอกีกแล้วก็ไปปฏิสนธิในสุทศีก็ไม่บรรลุอกีกก็ไปบรรลุในอกคนิฐา a แต่แต่ว่าจะไม่มีพระอนาคามีรูปใดเลยไปกว่า น, นี้อีกแล้ว มันจะไปบรรลุในชั้นอากตาิฐาหมดนะนะอคติฐาแล้วก็จะเป็นพผ้ารหันแล้วก็ดับขันปรินิพานกันหมดอันนี้ธรรมะ อ, อันเอกเลยนะก็คือพิจารณาถึงปฐมฌานว่าปฐมฌานก็เที่ยงไหมไม่เที่ยงนะนีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก่อนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นมันนั่นเรานั่นของเรานั่น อัตตาของเราขนาดชาญาจิตนะท่านยังไม่ยินดีติดใจเลยเนาะของเราพิจารณาเออมหากุศลที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเนาะต้องหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมหากุศลเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ถ้ามหากุศลไม่เกิดอะไรจะเกิดขึ้นอากุศสเกิดขึ้นอากุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะเนาะแต่ว่ามหากุศลเนี่ยไม่มีโทษใช่ไหมแต่ว่าไม่เที่ยงนะ อกุศลเนี่ยมีโทษด้วยไม่เที่ยงด้วยไอความไม่เที่ยงของเขาเนี่ยถ้าเกิดบ่อยนี้เสียหายนะทีนี้ข้อสองก็คือว่าดูก่อนเครหาบดีธรรมะอันหนึ่งแม่นี่แลที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมะที่ปลอบโยนจากกิเลส เป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมะอื่นเยี่ยงกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันต์ตระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตัดไว้แล้วเนี่ยนะก็คือพระองค์ตัดถึงปฐมฌานแล้วก็พิจารณาปฐมฌานโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ย น, นะเป็นสังฆะ ธ, ธรรมเป็นต้นก็ก็บรุเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นทางอย่างหนึ่งในการบรรลุมรรคผลอ่างนั้นนะ ก็ ค, คือปารลบถึงปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานที่ผู้ใดได้ปฐมฌานแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการมากๆปฐมฌานอ น, นั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าหานะภาคิยะเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความเสื่อมส่วนผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วก็ยังหาเหตุหาปัจจัยเพื่อดำรงอยู่แห่งปฐมฌานอย่างนี้เรียกว่าทิติภาคยะส่วนแห่งความตั้งอยู่ ส่วนผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วทําปฐมฌานให้ถึงความชํานาญปรารบเพื่อให้ปฐมฌานเนี่ยนะไปเป็นทุติยฌานลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิเศษภักคียะส่วนผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้ ว, วมมนนรรพิจารณาปฐมฌานโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะอาศายัยปฐมฌานแล้วก็เจริญวิปัสนาเขาเรียกว่านิเทาพทภากคียะส่วนแห่งการชำแรกกิเลสเนี่ยนะ เพื่อที่ชำรกออกจากวัตทุก์ดูก่อนครืหาบดีอีกประการหนึ่งพิสุบรรลุธุติยาฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ทุติยฌานนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นหลังนั้นเถอะอาศัยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชานจิตใช่ไหมแล้วก็ดํารงมั่นอยู่ในสมถาวิปัสสนาก็คือพิจารณาสังขารเนี่ยนะพิจารณาขันธะ พิจารณาไปพักหนึ่งก็สลับกับการเข้าตเข้าทูิยชานใช่เข้าฌานออกฌานสลับกันไปแล้วก็พิจารณาด้วยเข้าฌานสลับฌานแบบนี้ น, นะก็ดำเนินไปเรื่อยๆอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นไปก็บรรลุปเป็นพระอารหันต์ถ้าไม่ถึงความสิ้นอาสวะเนี่ยนะถ้าไม่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นยังติดใจในสมถะวิปัสสนาอีก เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคยะสังโยชน์หเธอก็เป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคําว่าโอรัมภาคยะสังโยชน์เนี่ยนะห้าสังโยชน์แบ่งออกเป็นโอรัมภาคยะสังโยชน์และอุทามภาคยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ํา5กับสังโยชน์เบื้องสูง5สังโยชน์เบื้องต่ํา5ก็คือ1นะสกายทิฏฐิ 2วิจิกิจฉาสศีลพระตาปรามาตกามาราคะและปฏิฆะเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการบางแห่งก็บอกว่ามัชชริยะก็เป็นสังโยชนด้วยนะนะมัชชริยะกับอะไรนะอีกอย่างนึนมัชชริยะสังโยชน้กับอ่ามัชชริยะอะไรไงอิสสาสังโยชุ้นะอิศา ม, มัชชริยะนี่ก็เป็นสังโย ด, ดุ้ยนะอ่านี่ในยะหนึ่ง อีกนายหนึ่งสุตันตนายนี้ไม่มีอิจฉากับมัฉริยะเนี่ยนะมีเฉพาะสกายะทิธิวิจิกิจิชาสีลพัตปปามา m a ตุตกามราคะและปฏิฆะเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้ผู้ที่ละสังโยชนเบื้องต่ำทั้ง5ประการนี้ได้ก็เป็นพระอนาคามีไม่กลับมาเรียกว่าไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาไม่มาสู่โลกนี้โดยการ ปริสนธิเนี่ยนะไม่มาปฏิสนธิในโลกนี้แล้วถามว่าท่านจะมาโลกนี้ไหมถ้าหากว่ามีคนดีมีคุณธรรมเช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นในโลกท่านเหล่านั้นก็จะเข้ามาเฝ้ามาฟังธรรมอยู่เหมือนกันนะถ้าจะมาจะมาเข้าเฝ้ามาฟังธรรมแต่ว่ามาเกิดในคันมาเกิดในไขามานี่ไม่เกิดสักอย่างเลยนะ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 ธุติยชาญใช่ไหมกล่าวถึงทุติยชานอาศัยทุติยชาญพิจารณาเจริญวิปั ส, สนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอระหรันต์นะถ้าไม่เป็นพระอระหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีอันนี้ก็ธุติยชานนี่ก็มีแบ่งออกเป็น4ส่วนนะก็บอกว่าทุติยชาญของผู้ที่หมกมุ่นเป็นไปกับวิตกกวิจารเนี่ยนะธุติยชานอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อม นะถ้าเกี่ยวข้องกับวิตกวิจาร์เรียกว่าหานภาคีย ะ, ะทุติยฌานที่เป็นไปเพื่อความดํารงมั่นเนี่ยนะแค่รักษาปริมาณเอาไว้ไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าทิติภาคียะส่วนผู้ที่ปรารบให้ให้มีตุติยฌานเป็นต้นไปอย่างนี้เรียกว่าวิเสสะพาคียะส่วนผู้ที่ได้ทุติยฌานแล้วก็อาศัยทุติยฌานเป็นบาตเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลเรียกว่านิเพทภาคียะ ส่วน4นี่นะนะดูการขึ้นหาบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสเสวยสุขด้วยนา ม, มากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยฌานที่พระริยเจ้าทั้งหลายสารเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่ า, านะเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่า แม้ตาติยะชานี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้นะของท่านเอาตาติยะชานไม่เที่ยงใช่ไหมของเราเนี่เอาพิจารณาไงถ้าของเรายังไม่ได้ตาติยะชานตาเนี่ยเอาตาเขาเลยกว่านะ ตานีอ it, ip, н, อาน dai, น้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาสีก็เหมือนกันนะสีเนี่ยอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะของเราไม่เอาชานใช่ไหมเอาตาเอาสีเอาหูเอาเสียงเอาจมูกเอากลิ่นเอาลิ้นเอารสเอากายเอาโพธิภพเอาใจและ ธรรมรมนี่แหละเอาแบบห ย, ยาบแบบเราเนี่ยนะเรียกว่าตามสติและตามกําลังว่า ง, งั้นเนี่ยแต่ก็เ อ, เอาแบบฟอร์มของท่านมาใช่ไหมมาวิจัยตาหูจมูกเล่นเอาชานไปไหนก็เอาแบบนี้แหละว่า ง, งั้นเอาผมขนเล็บนี่แหละ ว, วันถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้เธอก็ตั้งอยู่ในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายเพราะความยินดี เพลิดเพลินในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภิคยะสังโยธาเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนเครื่องหาพอดีธรรมะอันหนึ่งแม้นี้แหละที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสงไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสไปแล้วเนี่ย น, นะก็คือพิจารณาตติยะฌานใช่พิจารณาตติยฌานโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละนะสิ่งใดไม่เที่ยงก็ต่อด้วย ต่อด้วยความเป็นทุกเนี่ยนะตีรณะปริญญาเข้าไปไข้ควรในธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดดูกรันเครือหาบดีอีกประการหนึ่งภิษุบรรลุจตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้จตุทชา น, นี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น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 ยังสุดยังโทมยังเสื่อมสลายเลยนะแล้วก็ททอมมาก็ท่อมผุๆเนี่ยจะอยู่ได้เลยเนะก็ต้องเอามาไข้ครวนบ่อยๆนะกุศลจิตของเราก็เหมือนกั น, นเพรา ะ, ะขนาดมหากุศลก็ยังไม่เที่ยงเลยนะแล้วอย่างอื่นล่ะผลของมหากุศลเหล่านั้นเราจะยินดีจะเพลิดเพลินไปทำอะไรเนะควรที่จะมาไข้ครวนถามว่าถ้าไม่ไข้ครวนมีโทษห ในอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหากุศลก็ตามมหากุศลนั้นก่อให้เกิดทุกข์ได้ไหมก่อให้เกิดทุกข์ได้ไหมเมื่อบุคคลเสื่อมจากศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาที่เคยมีแล้วไม่มีศรัทธาวันไหนที่ศรัทธาหมดไปเนี่ยจะก่อความคับแค้นให้เป็นอย่างมากนะศีลก็เหมือนกันนะมหากุศลที่เป็นศีลก็เหมือนกัน ถ้ากุศลศีลที่เคยเกิดแล้วตอนหลังกุศลเหล่านั้นไม่เกิดก็ก่อให้เกิดความขับแคลนเนี่ยนะสุตตะเหมือนกันนะถ้าคนที่เคยได้ยินได้ฟังศึกษาพระธรรมคำสอนมามากนานๆเข้าบางทีหมกมุน่นเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องเสร็จแล้วไม่ได้เจริญกุศลธรรมเนี่ยนะตอนหลังก็มาเสียใจยเพราะเราเนี่ยเสื่อมแนะ่นอนเพราะนั้นกุศลเองก็ยังก่อให้เกิดทุกข์ที่ทุกข์เพราะกุศลไม่ค่อยเกิดนั่นแหละ ศรัทธาก็ไอสมาธิก็เหมือนกันเนี่ยนะใครที่เคยมีความสงบมีความสบายใจตอนหลังมันไม่สงบเท่าเดิมเนี่นะทุกไหมทุกนะมันก่อนคุณพิสนุกยังมาเล่าให้ฟังเลยโอ้ยเสียสุขภาพจิตหมดเหมือนกันเสียพลังจิตเสียอะไรไต่้งหลายเรื่องว่างอนกันกูสนไม่ค่อยเจริญนะเนาะเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วถ้าหากว่าสมาธิที่ไม่ค่อยเกิดก็ถึงความเสียใจเหมือนกันหรือปัญญาก็เหมือนกันบางคนเคยมีสติมีปัญญาเคยฉเฉลียวฉะลาดตอนหลังนี่ก็ จำอะไรไม่ได้สกักอย่างนึกอะไรก็ไม่ออกก็ก่อให้เกิดความเสียใจก่อให้เกิดความขับแค้นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นมหากุศลที่เราเกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาแม้แต่มหากุศลถ้าไม่พิจารณามหากุศลก็ก่อให้เกิดทุกข์ทำไมจึงจึงเกิดทุกข์เพราะความยึดถือในมหากรศลเพราะมหากุศลก็ยังเป็นอารมณ์ของ ป่าทานเนี่ยนะยังเป็นอารมณ์ของกามุปาทานยังเป็นอารมณ์ของที่ถูกปาทานเป็นอารมณ์ของเีลพัตุปาทานและเป็นอารมณ์ของอัตวาทุปาทานเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของความยึดถือนั่นเองเป็นอารมณ์ของความสําคัญผิดมันก็ต้องหมั่นใคร่ครวญว่าเออมหากุศลก็เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยนั่นแหละตรงแต่งขึ้นขนาดกุศลยังไม่เที่ยงเลยนะ อกุศลก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ย น, นะแต่มันเกิดบ่อยเนี่ยนะไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยนะมันเกิดบ่อยๆเนี่เสียหายนะไม่เที่ยงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเกิดบ่อยๆนี่ดีเนี่ย น, นะกุศลเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่อนัตตาอย่างนี้ไม่มีโทษ น, น, นะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญแล้วก็เป็นพาเวตาธรรมเป็นธรรมะที่ควรอบรมเป็นธรรมะที่ควรพอกคูรควรพัฒนาควรทําให้มาก ดูก่อนเครื่อหาบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยเมตตาเแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่เห็นไก็คือเจริญเมตตาไปแล้วนับตั้งแต่เบื้องต้นเจริญให้ตัวเองก่อนนะนะเจริญให้ตัวเองนี่เจริญว่าไงเนะี่ยหนึ่งเจริญว่าไงก่อนอาหางสุขิโตโเมโอ๋เก่งมากบาลียังจำได้เลยนะภาษาไทยสบายมากเลยนะนะหนึ่งขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะนะ สุขิโตก็คือขอให้มีความสุขนะขอให้ข้าพาเจ้าเป็นผู้มีความสุขนะสองก็นิทุกโโ ห, โหโมิอย่าได้มีความทุกข์เลยนะสามอเวโรหโหมิข้าพาเจ้าอย่าได้มีเวรกับใครๆเลยและใครก็อย่าได้มีเวรกับข้าพาเจ้าเลยต่อไปอะนีโโหโมิอย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยนะอพยาปโชโหโมิอย่าได้โกรธเลยนะอย่าได้มีโทสะนะพยาบาทก็คือ โทสะจะได้มีความพยาบาตรอยมีความเดือดร้อนใจอยได้มีความโกรธอยได้มีความหมงุดหงิดอยได้มีความคับแค้นใจรําคาญใจเลยนะแล้วก็สุขีอัตตานังปริหารามิรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเธอหลั ง, งั้นนะบริหารตนให้พ้นจากทุกข์อ่าเขาบอกว่าพ้นจากทุกข์นี่ก็คือทํำยังไงจะเป็นสุขและเป็นสุขที่ไม่ไม่มีโทษด้วยนะเป็นสุขที่เป็นไปกันเนกธรรมะเป็นสุขที่เป็นไปกับ กุศลเสร็จแล้วเจริญให้ใครอีกนะเจริญให้ใครนะให้พระผู้มีพระคุณหรือคนที่เราเคารพอ่ะนะที่คิดถึงเขาแล้วไม่โกรธอะ่ะคิดถึงแล้วไม่กล้ากโกรธเลยก็มีความสุขนะแล้วก็อย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจให้รักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถื่อนนะก็คิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไปหาคนอื่นๆต่อไปอีกเงี้ย เจริญไปเสร็จแล้วก็เริ่มแพร่ใช่ไหมในบริเวณบ้านของเราทั้งหมดแล้วก็แพร่เจริญไปในพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้เนี่ยนะเจริญไปในตรอกเดียวกันในซอยเดียวกันในถนนเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันในตำบลเดียวกันในอำเภอเดียวกันในจังหวัดในภาคในประเทศแล้วก็ขยายไปในทิศที่1่ทิศที่2ยนะทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตก ทิศเบื้องบนทิศเบื้องตำ่ำทิศเบื้องคว้างไม่คับแคบไม่มีเวน้นไม่มีศัตรูเนี่ยนะโอ้น่าจะคิดได้ น, ะน่าจะทำไม่ยากแต่ทำไมไม่ทำกนไม่้วยนะยังงงเลยนะนะเป็นบุญเนาะแต่ว่าเจริญยากเหลือเกินนะถ้าหากว่าแผ่ไปในทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบไปด้วยเมตตาอันภัยบูนเป็นมหัคคะไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้อ ง, งขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหล่าโดยความมีตนทั่วไปเนี่ยนะก็คือสรุปแล้วว่ามีเมตตาเนี่ยนะเมตตาต่อตนอย่างไรก็เมตตาต่อสัตว์อื่นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะแปล ว, ว่าเอาใจเข้าใจเราเนี่ยนะไม่ไม่แตกต่างกันเลย แล้วก็จิตใจเป็นอย่างนี้ไปในที่ทุกสถานอยู่ด้วยประการชนี้เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้เมตตาเจโตวิมุตนินี้อันเหตุตัดใ จ, จปรุงแต่งขึ้นนะอุตษาเจริญเมตตาให้เป็นเมตตาเสร็จแล้วพิจารณาเมตตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะบางท่านก็บอกอา้าวจะไปเจริญทาอะไรเมตาก็พิจารณาเมตตาเป็นของไม่เที่ยงเลยสิลัดวงจรเลยนะเอาดีไหม ไม่ต้องไปเจริญนกเมตตาพิจารณาเมตตาด้ยวยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะงั้นเมตตาไม่เกิดก็ไม่เที่ยงเออเมตตาไม่เกิดไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่าโทสะมันเกิดแทนโทสะเป็ไม่เที่ยงนะอกุศนมันเกิดแทนนอะแต่ว่าเมตตาเนี่ยควรพ่อพูนเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้เจริญวิปัสสนาบารรลุมรรคผลต่ออย่างน้อยถ้าได้เมตตาชาเนี่ก็อุ่นใจได้ใช่ไหมสังสารวัฏเนี่ยได้พักพักยาวแน่ใช่ไหมถ้าได้เมตตาแล้วอย่างน้อยพร ม, มโลกเงี้ยนะ ถ้าหากว่าไม่ไปพร ม, มโลกเนี่ยสวรรค์นี่ก็สบายเขาบอกว่าในบรรดาบุญกุศลที่ให้วิบากเป็นอุปธิอุปธิปแปลว่าอะไรส่งไว้ซึ่งทุกเนี่ยนะบุญกุศลที่ให้วิบากเป็นรูปนามขันห้านี่น ะ, ะไม่มีบุญกุศลใดที่จะมีผลมากเท่าเมตตาความเงนินเมตตาเนี่ยในบรรดาบุญที่ให้อุปธิทั้งหมดเนี่ยนะให้วิบากให้กรรมชโลกเนี่ยนะเมตตาให้ผลมากที่สุด พระ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์เจริญเมตตาอยู่7็ปีใช่ไหมในอดีตชาติเนี่ยไม่กลับมาสู่โลกนี้เจมหากลับเจ็สังวัตวิวัตกรับนี่นะแล้วก็มาเกิดเป็นเท้าสาก่าตั้งหลายครั้งมาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตั้งหลายครั้งว่างั้นไม่จํากล่าวไปยายถึงพระเจ้าประเทศสราชนะงั้นอนเมตตาวิมุตติโตวิมุตติเนี่ยมีผลมากว่างั้นในบรรดาดาวทั้งหมดเนี่ยนะหมู่ดาวทั้งหมดที่จะสว่างสวัยเท่าเดือนนี่หายากนะ เดือนนี่สว่างสวัยก่อหมู่ดาวทั้งหมดนะในบรรดากุศลทั้งหมดเนี่ยเมตตาเนี่ยมีมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากบอกว่าให้ทานข้าวเป็นร้อยๆยหม้อก็มีมีผลสู้เมตตาไม่ได้เพราะว่าคนที่มีเมตตามีความหวังดีมีความปรารถนาดีจริงๆแล้วเนี่ยนะบางคนก็เลยนึกตะหนีเลยเอาจจะเอาเมตตานี่แหละทานไม่ให้อีกละนะเอ๊จะค้าแต่เป็นบางอย่างเลยนะที่จริงแล้วถ้าหากว่าคนที่ตะหนีถี่เหนียวเมตตาจะเกิดได้ไหม ยากอีกนั่นแหละดังนั้นคนที่มีเมตตาเนี่ยเครียกว่าใจเข้าใจเราเนี่ยนะเกิดการเปรียบเทียบในลักษณะนี้สูงมาก <c oughs> แล้วเมตตาเนี่ยนะเป็นเหตุให้สร้างบารมีด้วยนะคนที่มีเมตตาเนี่ยทานให้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมคนที่มีเมตตาศีลก็รักษาไม่ยากคนที่มีเมตตาเนี่นะาภาวนาหรือเนคขมะก็ไม่ยากใช่ไหมแล้วก็มีความเพียรพยายามก็มากนวิริยะบารมีสัจจะบารมี ทั้งอธิฐานบารมีเมตตาบารมีก็เป็นเมตตาอยู่แล้วแล้วก็อุเบกขาบารมีเพราะถ้าคนที่มีเมตตาเนี่ยบารมีสิบก็เจริญไม่ยากเนี่ยนะเพราะเป็นคนที่ไม่มีเวรกับใครไม่เบียดเบียนใครมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หวังความสุขหวังความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็เจริญอาศัยพิจารณาเมตตานี้ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยเป็นสังคตาธรรมเป็น สังขารธรรมชนิดหนึ่งนะเมตตาถ้าหากว่าหมดปัดจจัยแล้วก็เมตตก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะอันเ ม, มตตก็โดยตัวของเขาหนี้ไม่เที่ยงนะเพราะฉะเมื่อสิ่งใดที่ไม่เที่ยงก็ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงพอกพูพนอนิจจานุปัสนามากๆนะเจริญอ น, อนิจจานุปัสนาเป็นต้นสลับกับการเจริญเมตตาเจริญเมตตาสลับกับการเจริญอ น, อนิจจา นปัสนาอย่างนี้นไม่นานนักก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นเธอก็ตั้งอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตินั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภากยาสังโยชน์ห เธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนขึ้นหาบดีแม้ธรรมะอันหนึ่งนี่แลที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุธรรมะที่ปลอดโปรง่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบอยู่เนี่ยนะ อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นตรัสไปแล้วเนี่ยนะก็คือทำเจริญให้ได้เมตตาให้ได้ฌานอาศัยฌานก็เจริญเจริญในดะเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุมากพ้ท่านกล่าวว่าเมตตาเนี่ยนะใช้คาว่าเมตานะาเมตาอย่างเดียวแสดงว่าโดยตถาคตฌานหรือ จตุทะชาญ น, นั่นเองเพราะว่าเมตตานี้เป็นได้ทั้งปฐมชาญถ้ามีวิตกมีวิจารณมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอย่างนี้ก็เป็นปฐมชาญถ้าสงบระ ง, งับจากวิตกก็เป็นทุติยะชาญถ้าระ ง, งับจากวิจารณก็เป็นตติยะชาญถ้าไม่มีปีติก็เป็นจตุทะชาญโดยปัญจกนัยนี่นะถ้าโดยจตุ ก, ก น, นัยน่ะโดยชาญ4ี่ก็คือชาญที่หนึ่งก็ละละอัก อากุศลฌานที่สองก็ละวิตกวิจาร์ฌานที่สามละปี ต, ติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมตานี้ได้ปฐมฌ า, านทุติยฌานตัติยฌานได้ไม่ใช่ธรรมดานะพอ ม, มาโลกเป็นของหาได้ไม่ยากนักอ่ะนะถ้ามีเมตตาทั้ย่างอ่ะนะดูกรรขึ้นหาบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะ ก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเราเห็นคนมหาทุกขตะเข็นใจซาคนหนึ่งเนี่ยนะก็น้อมใจไปในสัตว์ทั้งโลกเนะี่ยโอ้ยสัตว์ทั้งหลายเขาก็ทุกอย่างนี้แหละแล้วก็เจริญเมตตาวังนึกสงสารในในสัตว์ทั้งโลกเลยนะก็เจริญกรุณานี่แผ่ไปในทิศ ท, ทั้ง4ี่ว่า ง, งั้นนะทิศ ท, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบไปด้วยกรุณาอันภัยบุ์เป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานอยู่ด้วยประการชนีเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้กรุณาเจโตวิมุต t นี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น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 เพราะความเสื่อมไปแห่งโอรัมภากยาสังโยชน้าเธอย่อมเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานี่ก็เจริญกรุณาให้ได้ฌานออกจากฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาสลับกับการเจริญกรุณานี่ยแหละสลับกันไปสลับกันมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีนะ ฟังดูไม่ยากนะพอเอาเอาข้าจริงๆเนี่ยมาเหงื่อตกซิ๊บๆเลยนะม้ากุศลไม่เกิดสักทีเลยนะอกุศลวิตกเข้ามาแทนหมดเลยนะต้องเอาแบบพระเจ้าม้าสุดทัศนะหรือเปล่ายุดกรร ม, มาวิตกเพียงเท่านี้เหมือนกันหยุดพยาบาทวิตกเพียงเท่านี้หยุดวิหิงสาวิตกเพียงเท่านี้พอแล้วละ่ะเหมงอนกันกรร ม, มาวิตกพอกันทีวิพยาบาทวิตกพอกันทีวิหิงสาวิตกกันนะเจริญชางเลยนะ ต้องเอาแบบนั้นหรือวา่าเอาแบบพระเจ้ามาหาสุทัศนะเลยนะของเราเอ๊ะเอ า, อางไงดีนะเมื่อไหร่จะมีสักทีอย่างงี้วะตรงกันข้ามเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือดูก่อนขึ้นหาบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งที่ 3, ที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเห็นเขาได้ดีแล้วนึกดีใจกับเขาด้วยเนี่ยนะ น่าจะเจริญมาอย่างนะเห็นเข้าได้ดีมีความสุขมีความเจริญก็นึกเออมีความสุขมีอายุยืนเนี่ยนะมีความสุขมีความเจริญเธอเนี่ยนะขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปเถอะแบบนั้นเถอะเธอมีใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบุญเป็นมหัคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแพร่ไปทั้งทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปเนี่ยนะ ครว่าเราเองเนี่ยถ้าจะเจริญเนี่ยถามว่าเรารังเกียดไหมที่เราจะเจริญงอกงามในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่รังเกียจใช่ไหมเออทํายังไงให้ความคิดอันนั้นเนี่ยเป็นไปในเหล่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าน่นะว่าเออเขาน่าจะมีความเจริญแบบนั้นแหละน ะ, จะเจริญไปในทิศเบื้องบนเบนืบ้องขวาเบื้องล่า ง, บางเบื้องขวางเจริญให้เทวดาเอออย่าตกอย่าตกสวรรค์เลยนะจะจากเทวโลกท่านตามสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอะเนี่ยเนะก็จะเจริญลักษณะ น, นี้แหละให้เขามีความสุขความเจริญกัน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 ก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เธอตั้งอยู่ในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายเพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภากิยสังโยชน์ห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 พิสูนเข้าอาการสารนันจายตนะชาญด้วยมนติการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มณติการนาณตาสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่นะแล้วก็พิจารณาอาการสารนันจายตนะโดยความเป็นของไม่ที่ยงเอกนั่นแหละเสร็จแล้วก็ออกจากอาการสารนันจายตนะก็พิจารณาวิญญาณนันจายตนะ ด้วยมนติการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญญาตนะโดยประการทั้งปวงเธอก็กพิจารณารู้ชาติว่าแม่วิญญาณานัญญาตนะนี้ก็อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็สา ม, มารถที่จะบรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นปลายแห่งอาสวะได้ อีกนัยยะหนึ่งก็คือภิกษุพิจารณาอะนะบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานก็มานสิการว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนัตถิกินจิว่างั้นหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีจิตเจตสิกว่างั้นนต่หน่อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะไม่ใส่ใจในอากาสารานจา ย, ยตนะเนี่ยนะมานสิการว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะล่วงวิญญาณานจา ย, ยตนะโดยประการทั้งปวงทเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ว่าย่อมรู้ชัดว่าแม้อากินจัญญาญตนะนี้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 เนวะสัญญาณนะสัญญาญตนะนั้นเป็นธรรมะที่ปณีตละเอียดเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีสัญญาหยาบแต่มีสัญญาละเอียดเพราะฉะนั้นหยาบหยา บ, ย, บยังไม่ค่อยพิจารณาเลยนะหมยไม่ต้องกล่าวถึงเนวะสัญญาเลยเพราะฉะนั้นดูก่อนเครือหารบดีแม้ธรรมะอันหนึ่งนี่แหละที่ที่สุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสองไปอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุ ถึงธรรมะที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพผ้ารหันตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นได้ตรัสไว้เมื่อท่านพระนลกล่าวอย่างนี้แล้วทศมสมึ้ฤหาบดีชาวเมืองอัฐกะได้กล่าวกับท่านพระนลว่าข้าแต่ท่านพระอ น, น์ผู้จเจริญบุรุษกําลังสแสวงหาขุมทรัพย์ขุมหนึ่ง ได้พบขุมทรัพย์ถึง11ขุมในคราวเดียวกันฉันใดเอ๋ของเราฟังเมื่อกี้นี่มองเห็นเป็นขุมทรัพย์หรือเปล่าไม่ทราบนะได้ขุมทรัพย์ไปตั้งสิขุมเลยเนาะข้าพเจ้าก็ฉันนั้นกําลังสแสวงหาประตูอมะตะประตูหนึ่งนะกำลังสแสวงหาประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งความไม่ตาอยู่ประตูหนึ่งได้พบประตูถึง11ประตูในคราวเดียวกันโดยการฟังเท่านั้นว่างั้นนะโอ้ฟังพักเดียวเนี่ยได้เลย11ช่องทางเลยในการตรัสรู้ธรรม ข้าแต่ท่านผู้เจริญเรือนของบุรุษมีประตู11ประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษเจ้าของเรือนอาจทําตนให้สวัสดีโดยประตูแม้ประตูหนึ่งหนึ่งได้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นจักอาจทําตนให้สวัสดีได้โดยประตูอมตะแม้ประตูหนึ่งหนึ่งแห่งประตู11ประตูนี้นไของเรานี่ขอแบ่งมาสักประตูหนึ่งนะเนาะเอาอะไรดีใน11ประตูเนี่ยนะ ชั้นแรก4ประตูแรกก็พิจารณาฌาน4ี่สี่ประตูหลังก็พิจารณาอปมัญญาสี่สประตูหลังท้ายสุดก็พิจารณาอารูปฌานสามเนี่ยนะ1ิประตู <c oughs> ได้ยทักประตูนะข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าอัญญเดียรทีเหล่านั้นจักสแสวงหาทรัพย์สําหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์ก็ฉนัยข้าพเจ้าจักไม่ทําการบูชาท่านพระนอนุลเล่าลําดับนั้นทัสมะเครหบดีชาวเมืองอัฐกะได้ประช ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในเมืองปาตรีบุตรและเมืองเวสาลีพร้อมกันแล้วให้อิมน้ำเพียงพอด้วยขาเทนียะโภชนิยะอันประณิจด้วยมือของตนให้พิสุครองภาครูปละคู่รูปละคู่และได้ให้ท่านพานนระอนุนครองไตรจีวรแล้วให้สร้างวิหารราคา500้อถวายท่านพระอนุนดังนี้แหละจบอธิกะนาครสูตรที่สองในมัชชิ ม, มัตต น, นาฏเลยเวลาไปนิดนึงเนาะ นั้นหมายถึงโลกิยธรรมทั้งหมดนั่นนะธรรมะที่เป็นไปในภพมสามเรียกว่าวัตถุ ก, กามหมดเลยตามนัยยะแห่งมหานิเทศนี่นะมหานิเทศสูตรแรกเลยนะกามะสุตานิกามะสุตน า, าตนิเทศนี่เลยกล่าวถึงแม้กระทั่งกามาวจรรูปาวจรูปาวจรก็ชื่อว่าเป็นวัตถุ ก, กรรมหมดเลย แต่ว่าวัตถุกรามนั้นเป็นปริญญาธรรมกิเลสกรามเป็นปหาตปรธรรมเนี่ยนะอันวัตถุกรามนั้นเป็นธรรมะที่ควรปริญญาสามังั้นควรรอบรู้ด้วยปริญญาทั้งสามประการส่วนกิเลสกรามนี้ควรละ ด, ด้วยปหานะทั้งห้า